ปัหาในอินเดียเมื่ อ, อครั้งนู้นครั้งสุดท้ายที่แร้มานี้ผมได้บรรยายถึงสมัยศตวรรษ็ดหลังพุทธก า, าลนิพพานกล่าวถึงปรัชญาฝ่ายมหายานที่ท่านนาคารชุนได้ตั้งขึ้นเดียววนนีกายสุญญาวา่าจบไปแล้วสําหรับในวันนี้ก็จะบรรยายปรัชญามหายานอีกสาขาหนึ่งคือปรัชญานิกายวิชยา น, ว, า ว, ยาน ว, าว่าวิชยานว่าคําว่าวิชยานะก็ตรงกับปาษาบาลีว่าวิญญาณนั่นเอง สันสกิตวิชยานะนิกายนี้เป็นมโนภาพนิยมในพุทธศาสนาเกิดขึ้นในศตรวรรษที่แปดหลังพุธทธศตวริษผ่านผู้เป็นต้นนิกายชื่อว่าทนาจารย์ไมเรไมเตรยนาหรือไมตรีนาไมตรีนาถเป็นชาวอโยุทยาในอินเดียภาคกลางคืออยุทยานี่ก็เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในแคนโตสนคู่กับเมือง สาวัตถีเป็นเมืองโบราณมาก่อนในสมัยยุควรรณคดีรามยานะก็เป็นเมืองหลวงของพระรามตามกติในาศาสนาพ ร, ราหมณ์เอกมาในศตวรรษที่แปดตรงกับาราชวงศ์คุปตะปกครองอินเดียราชวงศ์คุปต์ตะนี้ก็เป็นราชวงศ์สำคัญคือว่าวงกษัตริยในประวัธธติศาตรอินเดียเราต้องแบ่งแบ่งตั้งแต่วงโมลีวงของพระเจา้าโศก วงโมดียวงปกครองอินเดียสิ้นไปแล้วก็เป็นวงสุนทะขึ้นมาปกครองวงนี้ไม่ได้สนับสนุนพุทธศาสนาแต่สนับสนุนศาสนาพราหมณ์หมดจากวงสุนทะแล้วก็เป็นวงอันระซึ่งเป็นวงทางภาคใต้แต่มามีอิทธิพลครอบงาในแคว้นมคุฎต่อจากวงอันทะลงมาก็เป็นยุคที่เรียกว่าวพระเจ้ากระนิษฐา m a h a r a ซึงเป็นพวกอินโดนไซเปียนยกมาลุกลางอินเดียแล้วก็มาครอบครองอินเดียภาคเหนือตั้งแต่ลุ่มแม่น้ําสิงหุถึงลุ่มแม่น้ําคงคาแต่พระเจ้าคณิทสกะไปตั้งราชธานีที่เมืองปุรุตุระในแคนคันธาราสปัจจุบันนี้อยู่ในเขตประเทศปาลีสถานพระเจ้าคนิทสกะก็เป็นพุทธศาสนิาในให้ความอุปถัมภุทธาศาสนานิกายตรวาติว่าถึงกับตั้งกองทำสังขายนายกพุทธวจนะขึ้นสูปป่สภาวะปันสกฤต เป็นทางการขั้งแรกจากพิสุในนิกายนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ขอร้องพระพิจารณาลิขสกัุ้มชูในการทํำของขายนาต่อจากพระเจ้ารณาิขสกัลงมาก็เป็นเรื่องที่เกิดมหายาณขึ้นตั้งแต่พระพิจ้าริพานแล้วในศตวรรษที่หากระทั่งพระเจ้าท่านนาครชุนเถระได้ตั้งนิกายสุยาวาสขึ้นเมื่อสิ้นสมัยท่านนาครชุนแล้วทางภาคเหนือของอินเดียได้เกิดจักรวรรดิใหม่อีกจักรวรรดินึ่ง ด้วยจักรวรรดิคุตตาหรือราชวงศ์คุปตาผู้เป็นผสมมังวงชื่อพระเจ้าจันทรคุที่หนึ่งจันทรคุปองค์นี้อย่าไปป น, นกับองค์ที่เป็นพระอัยตาของพระเจ้าโศกชื่อเหมือนกันแต่คนละคนคนละสมัยจันทรคุที่หนึ่งนั้นได้มาเหสีซึ่งเป็นเจ้าหญิงราชวงศ์ลิขวีของวัดชีเดยเด็กมีกําลังสามารถตั้งจักรวรรดิใหม่ครอบครองล่กแมขข่น้ําคงคาสําเร็จ แล้วพระเจ้าจันทราคุปที่หนึ่งสิ้นพระชนไปแล้วโอรสคือพระเจ้าสมุทระคุปพระเจ้าสมุทรตะคุปได้แทนอาณาญาทั้งอินเดียปักเหนือปักใต้ทํำให้เกิดจักรวรรดิใหม่ต่อจากยุคพระเจ้าอโศกขึ้นมาเรียกว่าจักรวรรดิคุปตะพระเจ้าสมุทรคุปสิ้นพระชนแล้วโอรสจิตจันทรคุปที่สองสวยราชต่อมาจันทรคุปที่สองสิ้นพระชนแล้วโอรสคือกุมารคุปที่มือสวยราชต่อมา อาณาญาสมัยดังกล่าวนี้เป็นสมัยรุ่งเรืองทางวรรณคดีของศาสนาพราหมณ์เขาพระราชวงศ์คุตัานันถือศาสนาพราหมณ์มีกายไวัยสนุเป็นศาสนาประจำชาติคือวัฐิบูชาพระนารายณ์เป็นใหญ่พระเจ้าสมุทรคุปเองก็อพระองค์่าพระองค์เป็นผู้ถี่พระนารายณ์ใช้ให้มาปกครองโลกเพราะฉะนั้นในสมัยนี้วรรณคดีของพราหมณ์จึงได้มีการฟื้นฟูอย่างใหญ่หลวงเป็นยุคทองของวรรณคดีสันสกฤต ชาพุทธเราก็ต้องตื่นตัวที่จะแข่งขันกับศาสนาพรามณ์เขตอนนี้จึงเป็นหน้าที่ของชาพุทธฝ่ายมหายานที่จะต้องเป็นตัวตั้งตัวตีในการจโลงพุทธศาสนาให้คงอยู่มิฉชนนั้นจะถูกความกวาดล้างออกจากอินเดียไปอในยุคดังในสมัยท่าเจ้ากุมารคุปนี้เองได้เกิดนักปราบพุทธศาสนาฝ่ายมหายานขึ้นหลายท่านด้วยกันท่านที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือท่านไมตรีนาหรือไมเตเรียนาชาวอโยธยาดังกล่าวมาท่านผู้นี้ ได้สร้างผลงานของท่านออกมาเป็นหนังสือชื่อว่าอัมภีอภิสมยะลังการะแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านชื่ออาจาังคะเป็นผู้ที่ประกาศผลงานท่านผู้นี้ได้เรียบเรียนตำราสาคัญทางพุทธศาสนาขึ้นชื่อว่ายูคาจารภูมิศาสตเล่นหนึ่งแล้วก็อีกเล่นหนึ่งคือ อ, อภิธรรมะอารยะวาจาปการิกา อีกเล่มหนึ่งขึ้นมาเป็นหนังสือที่มีชื่อเูีทางมหายานอย่างยิ่งตั้งมีกายอีกมีกายหนึ่งด้วยว่ามีกายวิชยานะว่าท่านอาจารยข้นี่เดิมเกิดในวันนักพรามเป็นชาวคันทาราา่ทาล่าภายหลังออกบวชในป่ายีนยานบวชในมีกายตระวาตีว่าแล้วแปลมีกายเป็นมหายานทีหลังแปลมีกายท ำ, ทำธรรมีกรรมเป็นมหายานทีหลังคือเบื่อได้ฟังปรัชญาจากนักพันไมตรีนาบแล้ว ก็มีความรู้สึกว่าทางมหายาณมีคติธรรมลึกซึ้งกว่ายินยานก็เลยแปลงในกาเป็นมหายานเสียแล้วได้แต่งตาราดังที่ผมได้เรียนมาแล้วสองเล่มคือว่าโยคาจารภูมิศาสต์แต่งตามผลงานท่านอาจารย์ท่านเองเป็นผู้บอกให้เขียนแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเป็นการเขียนของตัวท่านเองคืออภิธรรมารยะวาจาศาสกาลิกาอ่าจารย์ข้านี่มีพี่น้องสามคนเกิดในสกุลคราหมเก่าสิกโคตร ลาวคันธาราล่ อ, ลองชายคนกลางออกบวชนี้กันชื่อว่าสิพันออกบวตในิกายสภาวะสิว่าป่าหินใยานอีกคนหนึ่งชื่อว่ า, าวิรินทรชัดชะจะตามตามประอดในประวัติจะออกบวตหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าล้องชายคนกลางนะ่ะที่แรกบวตในกายสภาว่าแล้วจูงตีงมหายาณบ่อยๆหาว่ามหายานนะ่ะทําลอกเรี่ยพุพจน์บัง่งแต่งตําราจูน พระพิจารณาสอนไหว้แต่งลู้ดีแต่งโจวเลยทูลไปบาปโจมตีทางมหายานที่ชายต้พยายามตักเตือนว่าอย่าโจมตีมหายาณ น, นะบาปกรรมเพราะว่ามหายาณนนะ่นเป็นมีกายถือตามหลักโธธูติศาตร์หวังทุตภูมิการโจมตีมหายานเท่ากับโจมตีทุกตภูมิด้วยบาปกรรมต่ล่าอเตือนน้องชายน้องชายก็ไม่ฟังแต่งหนังสือทีไรโจมตีมหาญาเลื่อยไปอ่ะหาว่ามหายานทำไมเด็กความเป็นลัทธินอกกรีฑ สำหรับตำราก็แสง่งาจารย์ภายหลังเขียนขึ้นที่ไหนทุกขิจเจ้าต่อมอย่างนี้วันหนึ่งท่านมัสุภันนี่เดินทางมาพักกที่ชายที่อโยธยามาพักแรมอยู่ในกุติเดียวกันแล้วก็นอนไม่หลับในคืนวันหนึ่งนอนไม่หลับได้ยินเสียงสาทยายประสูตดสายมห ah ายานจากภิกษุรูปหนึ่งดูก็ตั้งใจฟังพอฟังจน้าตาไหลค่ะ ตั้มเกความผิดว่าโถเราไม่ควรเลยเนมะื่อตอนนี้ไม่ได้เรียนมหายาณลึกซึ้งเที่จะโจมตีเขาว่าไม่ดีเงี้ยงน้อยไม่ดีอย่างนี้มาวันนี้เนะ่ยมาโอมีโอกาสฟังธรรมะอันสุขุมคําภีรภาพของมหายานเขา้ารู้สึกเป็น บ, บาปการรมของตัวในก่อนต อ, อนนี้ที่โจมตีมีกายมหายานต่างๆนานาว่าไม่ใช่น้าที่เช้าพุทธคนจ ะ, ะมาโจมตีหรือมีกายที่เป็นมีกายที่ะศาสน า, เ ด, กกนนาเดียวกันนับถือพุทธเจ้าองค์เดียวกันไม่ควรจะมาโจมตีด้วยพวกเดียวกันอย่างนี้เลย แต่ไ ม, ม่เป็นความผิดก็ไปบอกกับพี่ชายบอกว่าตัวจะออกแปลงในมหายานล่ะแล้วจะล้างกรรมทุกตัวด้วยการแต่งตาราประกาศเชียมหายาณท่านโกสุพันน์เป็นพระที่มีชื่อเสียงในนิกายทีนยานมาก่อนคือนิกายตรวาสติวะได้รับเกียรติเป็นระหัสสะปกรณอาจรยะยัคือเป็นอาจารย์แห่งการแต่งประกรณ์ทำเล่งในป่ายิกายตระวาสติว่าผลงานในป่ายิกายตระวาสติว่าที่ท่านเขียนนั้นที่มีชื่อเสียงมาก ที่โลกเขาจปาสนารู้จักดีคือหนังสืออภิธรรมกรูสะ<ฮ>วายาขยานี่หนังสือเรื่องนี้มีชื่อที่สุดจนกระทั่งเป็นคําพังเทยกล่าวกันในยุคนั้นว่าผู้ใดไม่รู้โกูะผู้นั้นไม่ชื่อว่าบัณฑิตเพราะนั้นผู้ที่จะเป็นบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธจะต้องศึกษาคำทีอภิธรรมโกูสะวายาขยะของท่านวัสุพันธุถึงกับในหนังสือหันปัจริบของกวีฐานะ ในราชสำนักของพระเจ้าสีราพิทยะแห่งเมืองกันนาวูในหนังสือหันสัจริตกล่าวว่าแม้แต่นกแก้วก็ยังรู้จักคุยกันในคำทีโกศัศของวัตสุพันธุ์นกแก้วซึ่งเป็นสตัตว์ในฉานยังคุยกันด้วยคำทีโกศัศนี่แสดงว่านังสืออภิธรรมาโกศของทาง่าสุพันธะุ์พุทธะมีความสําคัญเป็นคพชรน้ำหนึ่งในพุทธปรัชญาเพียงไรแต่เมื่อท่านที่นี้หันมาเรื่องสามหายานแล้ว อัานได้เขียนผลงานทางมหายาณขึ้นอีกหลายเล่นเล่นที่เชืิญนาชูตาที่สุดก็คื อ, อเรียกว่าวิทยานมาตราสิทิตรีทบาทเรางสือเลมนี้มีชื่อเสียงมากและเฉียนอัตถกถาประผุดทางมหายาณอีกหลายเล่นเช่นว่าสัธรรมปุณธริกะกรุณาปุณธริกะอวตังสก่าเขียนอัตถกาานะท่านเป็นผัคนเขียนเพราะนั้นทั้งพี่ทั้งน้อง จึงเป็นคณาจารย์ผู้ตั้งนิกายวิทยานว่าในป่ายมห ah า, าในในใยาตคติธรรมในมิจัยวิทยาณว่านาข้อสำคัญก็คือสอนว่าปรากฏการต่างๆในโลกเหล่านี้ทั้งวัตถุธรรมทั้งนามธรรมาเป็นเพียงเงาสะท้อนออกไปจากใจเท่านั้นไม่มีสภาวะอยู่จริงเลยการที่เราเข้าใจผิดนึกว่ามีสภาวะ ตางจากใจนะ่ะเป็นความหลงผิดเป็นอวิชชาในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะเป็นภูเขาเราตาแม่น้ําสายสมุทรล้วนแต่เป็นภาพจิตใจสร้างออกไปและใจนี่แหละเป็นมูลของวัฏถสงสารเรียกว่าอาลยาัยอาลยาวิชอาลัยวิชญาณเรียกภาษาบาลีง่ายๆว่าอาลยาวิญญาณอารยาวิญญาณ อาเยวิญญาณเนี่ยเป็นพัฒนาการไปจากพวังขจิตไมนิกายเถรวาพวังขจิตมีฐานะหน้าที่อย่างไรอาลรยวิญญาณก็มีฐานะหน้าที่อย่างนั้นแต่ป่ายมหายานเขาไม่ใช้คาวพวังเขาใช้คำว่าอาเยะอายยวิญญาณอาลยวิญญาณมีหน้าที่เก็บอารมณ์มีหน้าที่ก่ออารมณ์มีหน้าที่ปรุงอารมณ์เก็ดก่อปรุงเป็นหน้าที่สามประการของอาเรยวิญญาณ พฤติกรรมต่างๆในชีวิตของเราเกิดเป็นผีชะอยู่ในพื้นของอารยวิญญาณนี้เพราะฉะนั้นบางครั้งก็เรียกอาเรยวิญญาณว่าภาวะผีชวิชญาณัคืออแปลว่าวิญญาณซึ่งเป็นที่เก็บแห่งสัพพพืชพืชคือพืชถึงดำเก็บที่หมดแม้แต่ปัจจ ว, วีเตโชวายโออาโปอันเป็นมหาพูตเจรุตสังสีต้องไม่เข้นมนิสภาวะอยู่จริงแต่เป็นพืช เก็บอยู่ในอะไรายมยญาณอะไรายมยญาณเก็บเตโชพีชะอาโปพีชาปัตวีพีชะวายโยพีชาแล้วเมื่อเหตุปัจจัยสมควรแล้วไอ้พีชาเหล่านี้ก็แสดงพฤติกรรมออกมาเป็นเงาสะท้อนออกมาจากใจแล้วใจก็ทําหน้าที่รับไอทท้ภาพตัวสร้างขึ้นนี้มาเป็นอารมณ์อีกแล้วก็ปรุงแต่งประกอบกรรมวนเวียนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะขึ้นพบสิ้นชา เหตุฉะนั้นอะไรยญยาณเป็นเป็นมูลฐานของนิตรานด้วยเป็นมูลฐานของวัฏจัด้วยอยู่ที่อะไรยญยาณ น, นี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่สร้างไม่ปริ้นในทางที่จะเป็นไปเพื่อตัณหาพลิกอะไร ย, ยรญยาณตึ็ปัญญาเแท้แล้วนั่นคือมิตรานนี่เป็นคติในนิกายอิยานะว่าถาจะเทียบอย่างภาษาฝรั่งก็เป็นปรัชญาฝ่ายไอเดียดิซัม คือว่าถือว่าทุกสิ่งไม่มีจริงนอกจากใจใจเป็นผู้สร้างทุกสิ่งใจทุกสิ่งเป็นเงาสะท้อนไปจากใจเท่านั้นนี่เป็นไอเดียดิสัมหรือมโนุภาพนิยมอันเป็นนิกลายหนึ่งในพะุทธศาสนาฝายมหายานเขานี่เป็นนิกายที่สองนะในสมัยราชวงศ์คุปปเกิดนิกลายที่สองขึ้นและในสมัยดังกล่าวนี้เองเองนะ่ะทางมหา ย, ยานก็ได้สร้างนิกายมันเป็นนิกายที่สามนิกายนี้กล่าวตรงกันข้าม ก, กับนิกลายขุนยวภาพ วิือนการวิเชยรนวาวะผู้ที่เป็นต้นคณาจารย์ไม่ไม่ระบุตัวบุคคลนิกายนี่น่ะเรียกว่านิกายจิตตอมตวาสินจิตอัมมตวะคือว่าจิตนั่นไม่ตายสิโกิดดับเเพียงอาการของจิตวิญญาณขันไม่ใช่จิตจิตไม่ชวิญญาณขันจิตเป็นผู้รู้ขันผู้วางขันผู้ปล่อยขันนะวิญญาณนั่นไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นเพียงอาการของจิต เพราะฉะนั้นวิญ ญ, ญาณจึงเกิดดับเป็นไม่เที่ยงอนิจจ์ทุกขงังแต่จิตก็ไม่เป็นอนิจจ์ไมเป็นทุกขงังเพราะจิตเป็นผู้รู้ผู้วางผู้ปล่อยถ้าจิตคลอยไม่เที่ยงไปแล้วพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อรู้แล้วชาสิ้นแล้วเพราะมันจังจบแล้วจิตที่จะทําอืนน่นไม่มีอีกแล้วจิตก็พ้นแล้จากกา마ตวะตวะสวะทิฏฐาตวะอวิชชาตวะถ้าหากว่าจิตเป็นวิญ ญ, ญาณอันขัแล้วมันจะพ้นมายัยางใดไงจะให้กา마สวะทิฏฐาตวะดังกล่าว ยืนแสดงว่าวิญญาณมาันไม่ใช่จิตจิตเป็นอีกอันหนึ่งต่างหากเป็นธรรมตาเป็นธรมตาไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดจิตคือมีพานมีพานคือจิตนี่เป็นกายสีสาในฝ่ายมหาหยาญเขาแล้วก็จิตคือมีพานมีพานคือจิตนี้เขาก็บัญญัติปรับเรียกเรียกว่าสถาคตคับพระคือห้องของพระตถาคตเรียกว่าพุทธภาวะนี่เรียกนี่ เรียกว่านิพานใจิตคือจิตคือนิพานจิตอะนิพานจะอารมณ์จิตแล้วนิพานคือตัวจิตตัตรงอะการที่เราเวียนไหวตายเกิดเนี่ยก็เพราะว่าจิตของเราถูกเมฆคืออวิชามาพุ่มห่อในขณะที่เมฆพุ่มห่อจิตเราน่ะจิตนี้จะดูอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้หายไปเป็นเพียงแต่ว่าคืออุปสรคคือเมฆมันกั้นเราไว้ความสว่างจึงไม่ปรากฏครับุ ทั้งหลายน่ะเป็นผู้ที่กาจัดเมฆหมอกกล่าวนั้นไปเสียแต่สว่างก็ปรากฏเป็นพุทธะแต่ในบุตุชนนั้นใช่ว่าพุทธะภาวะคือภาวะพุทธภาวะนี้จะหายไปก็าหาไม่ยังคงมีแสงสว่างอยู่เป็นปกติเหมือนกับดวงจิตของผู้ตักรุ่งทั้งหลายแต่เพราว่าในฐานะเป็นบุตรชนเราม่รู้ตัวเราเองเพราะเหตุมีเมฆหมอกคืออวิชชาปัญหามาบางัง เมฆหมอกไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดยวงอาทิตย์ไม่ใช่เลฆหมอกเข้ากับจิตก็ไม่ใช่อวิชาปัญหาอาวิชาปัญหาไม่ใช่จิตเป็นเพียงแต่ว่าถูกอวิชาปัญหามันหุ้มมันบงังจึิงเป็นบุรุษชนเมื่อกจาจัดเมฆหมอกปัดให้คนไปเสียรเราก็เป็นพุทธะเพราะนั้นพุทธะอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้อยู่กับเราในขณะนี้เราจะไปแลวงหาพุทธะข้างลอกไปพบนี่พานี่ในตัวเรานี่แหละเพียงแต่เราตัวเราเองว่าเราไม่เป็นพุทธะแล้วก็ กำจักอุปสรรคคือม่หึงหมอกไปเสียเรานึ่ก็มีฐานะเท่ากับอรหันทั้งหลายนี่มีกายนี้ถือว่าจิตเป็นมีทานนะถือว่าจิตไม่เฉลี่ยนากขันนะเนี่เป็นมิกายที่สามกกลงว่าพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีอยู่สามิีกายใหญ่หรือมีปรัชญาสามสาขาใหญ่คือว่าสาขาสุญญาว่าสาขาวิเชียราว่าและก็สาขาจิตตธรรมตว่าสามสาขาใหญ่ กิขึ้นในวตวรรษที่แปดหลังพระพิ จ, จาริพภานแล้วในสมัยราชวงศ์คุปปกครองอินเดียอ่าต่อมาในเมื่อพ้นสมายราชวงศ์คุปตัดไปแล้วในสมัยก็เกิดราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์หนึ่งเรียกว่าราชวงศ์วันธนะผู้เป็นประผมกษัตริย์ชื่อพระเจ้าประภากรวรนธนะกษัตริยแห่งเมือกัญญาศุภชะหรือเมืองกันนาที่เรียกกันในปัจจุบันเนี่เมืองอ่ากันนา ถ้าเพลงนี้ได้อุปถัมภุสศาสนาฝ่ายมหายานอย่างดีจริงและในระยะดังกล่าวนี้วงการคณะสงในอินเดียก็มีการส่งเสริมในการศึกษาเป็นการใหญ่มหาวิทยาลัยสูงเกิดขึ้นในอินเดียทั้งมหายาย น, ยานและยินียานแล้วตอนนี้จะพูดถึงมาระบบจัด ก, การศึกษาในมหาวิทยาลัยสูงนั้นเราต้องเข้าใจว่าภุสศาสนานั้นเป็นศาสนาแรกที่ได้จัด ก, การในระบบการศึกษา ในรูปของสถาบันก่อศาสนาใดในโลกอันนี้เป็นเกียรติในพุทธศาสนาของเราศาสนาพราหม์แม้จะมีมาสอนพุทธศาสนาก็าจริงแต่ระบบการศึกษาในศาสนาพราม์นั้นไม่ได้จับในรูปของวิทยาลัยคือไม่ได้จัดใ น, นรูปสถาบันเป็นการศึกษาแบบเรียกกันว่ า, าเรียกว่าอะไรดีในภาษาสันสกิตคือว่าเป็นการศึกษาแบบครุขุนครุขุ ร, ข ร, ระ คือเรียนกับอาจารย์ในครอบครัวเรียนกับอาจารย์ในครอบครัวลูกศิษย์จะแสวงหาความรู้จากครูต้องไปอยู่กินกับครูในบ้านแล้วก็ลูกศิษย์มีหลายชันช้นทั้งที่มีฐานะดีมีเงินเสียให้กับอาจารย์เป็นในฐานะเป็นครูพักตรีนาก็ไม่ต้องทํางานอยู่กินคล้ายๆเป็นนักเรียนกินนอนอยู่กับบ้านอาจารย์ลูกศิษย์ที่ยากจนไม่มีไม่มีค่าครูพักตรีนาก็ต้อง ตักน้าเช็คบ้านกู้เรือนใจตลาดโลดตั้งให้อาจารย์อย่างนี้ด้วยว่าเอาแรงงานเป็นครูพักฒนาแทนทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่กินอาจารย์ในบ้านนั่นแหละยังไม่แม้แต่ในชาดกจะพรฒนาถึงเมืองตักกะศิลาว่าเป็นเมืองที่ให้การศึกษามีพวกกระตัดพวกข้าบ ด, ดีเดินทางไปศึกษาก็จริงแต่โปรดรู้ไว้ว่าที่เมืองตักกะศิลานั้นไม่มีระบบการศึกษาแบบโรงเรียนโรงเรียในบ้านอาจารย์ อาจารย์คนหนึ่งอย่างมากก็สอนติดได้ไม่เกินร้อยคนเพราะว่าบ้านอาจารย์ไหนจะใหญ่โตรับผูบ้ศิษย์ลูกหาได้มากมายอย่างนั้นไม่มีทางเมื่อเราเรียนศิลปะวิทยากับอาจารย์คนหนึ่งจะไปต่อหาศิลปะวิทยาแขนงหนึ่งก็ต้องไปห้าอาจารย์ในบ้านอีกบ้านหนึ่งไม่มีว่าพวกรามจะมารวมพวกเกณฑ์การทางศิลปะวิทยาเหล่านั้นอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ถ่ายทอดการศึกษาในรูปของวิทยาลัยแห่งเดียวกันไม่มีเพิ่มจะมีขึ้นครั้งแรกในพุทธศาสนา การศึกษาแบบตามตอนพิก า, การนั้นเป็นการศึกษาแบบครูคุณครูคุณศึกษาในบ้านในสกุลวงศอ์อาจารย์เป็นแบบระกุลวงไม่ได้ตั้งในรูปโรงเรียนพุทธศาสนานี่เป็นาศาสนานแรกที่ตั้งโรงเรียนขึ้นอันนี้เป็นเกียรติในพุทธศาสนานเหล่าว่าเพราะว่าเพราะพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคำสั่งส ข, ของพระพุทธเจ้าเองก็แสดงออกในรูปทองการศึกษ า, น า, นกษาที่คำํำว่าติดขาไกรสิกขาแล้ว ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยพระพุทธเจ้า ก, ก็บังคับในตัวแล้วว่าเมื่อบวชบวชแล้วก็ต้องเรียนถ้าบวชได้เรียนแล้วก็อยามาบวชในโลกปาสนาบวชแล้วต้องเรียนพระุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ผู้ที่บวชแล้วไม่เรียนพุทธเจ้าตรัสว่าดดเป็นมูขบุรุษบุรุษว่างกล่าวอยู่โลกศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อในท่านเริ่มแรกมากระฐานการที่ภิกษุเมื่อออกบวชในวันแรกจึงต้องขอมีสายกับอาจารย์ การขออนิสัยกับอาจารย์เนี่ยเท่ากับว่าการถวายตัวอยู่ในการควบคุมของอาจารย์ผู้ น, นั้นที่จะให้การศึกษากัเรานี่เป็นข้อสาคัญมากระบบการที่ต้องขออนิสัยกับอาจารย์นี่แหละเป็นระบบแรกเริ่มแหงการศึกษาในโลงวิทยาลัยวัดในพุทธศาสนายุคแรกเป็นวัดใหญ่อย่างเทตวานารามในสาวัตถีก็ดีหรือเวฬุวานารามก็ดีไม่ใช่เป็นวัดแบบรามที่อยู่กันกระจัดกระจายแบบครูขุน อยู่กันมีพระจํานวนตั้งเป็นพันอยู่กันเป็นจํานวนเดินพันแล้วก็ผู้ที่ออกบวชจะบวชกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือบวชกับพระเถระลูกชดก็ดีเมื่อมีพุทธบัญญัติใถือมีสายกอาจารย์แล้วก็เท่ากับบังคับใจว่าไม่วันหนึ่งวันมันจะต้องใช้เวลาในการศึกษาสาทยายพุทธวจนะอย่างพระโสนะชาวอวันเตงนี้สามารถจําทรงพุทธพจน์ในอัศวกิกะในบาหลีตินิบาศซึ่งเป็นบาหลีที่ค่อนขั้นยาว และโสนะพระโสนาลูกนี้ได้เรียนกับอาจารย์กระทั่งจำทรงสาทยายคร่องแค่แล้วลาอาจารย์มาป่าวพระพุทธองค์มึงมาปาวพระพุทธองค์แล้วพระองค์ตรัสให้พระอานอนท์จับที่พักอยู่ร่วมกับคันธกุดีเดียวของพระองค์แล ว, ว่าให้มานอนอยู่พระองค์ในกุฎีเดียวกันในคืนวันนั้นปฐมยามมาชิมยามพระโสนะให้นอนลุกขึ้นสาทยายนั่งทำกรรมฐานสาทยายพระพุทธเจ้าอนุญาตว่าให้สาทยาย พระสูน่าตายายพระสูตต่างๆในอัจฉติกะด้วยภาษาอวันตีภาษาชนบทชาววันตีเมื่อตาพยายจบพระตาสดาอนุโมทนาบอกว่าความจำเก่งมากทรงสันเสริมบอกมีความจําดีเสียงตาพยายกไ็ไพเราะพยัญชนะก็ไม่ถูกทําลายอัจฉริยะสวยเพราะมากเพราะทั้งอัจฉะเพราะทั้งพยัญชนะเพราะทั้งสุ่มเสียงจังหวะจากคนผู้อนุโมทนา นี่แปลว่าพระในข้างผตการน่ะคือการศึกษาเป็นหลักสำคัญมากการศึกษาถึงกับตรัสโตะงเองก็ตรัส บ, บอกว่าุราของพระมีสองอย่างคือคันธะทุระกับอิสระนาทุระเนี่ยคันธะทุระก็เป็นการบังคับในตัวแล้วคือการเรียนคันธ์ถักคือปาพจของพระป่าปราอันนี้สําคัญมากเพราะเหตุนั้นระบบการศึกษาในโลกวิทยาลัยจึงได้เกิดขึ้นในวัดพุทธศาสนาตั้งแต่ข้างผู้จการแล้วเมื่อพระพุทธองค์ไปนิพพานลง การศึกษาผู้หญิงความจำเป็นมากขึ้นรวาวะขาดภาษาสดาผู้จะตัดสินชี้ขาดในข้อปัญหาต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของบูรพาจาร์ทั้งหลายที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดปาพจน์ให้แข็งขันยิ่งขึ้นและมีการอภิปรายเป็นกลุ่มๆในหมู่พระสงฆ์เป็นกลุ่มๆในการซักซ้อมเพื่อความทรงจำในปาพจศหนึ่งในการซักซ้อมเพื่อความเข้าใจถูกต้องในปาพจศหนึ่ง คณะสงฆ์ที่แบ่งกันอภิปรายเป็นกลุ่มๆนี่แหละภายหลังได้มีผู้ร้อยกรองคําอภิปรายเหล่านั้นออกมาเป็นรูปของท่าอภิอธรรมพระอภิธรรมนี่แหละเป็นคําร้อยกรองร้อยออกมาจากคําอภิปรายของภาษาวกโดยตั้งพุทธพุทธเป็นหลักมารติกาและบรรดาพระสงฆ์สาวกกาะมาอภิปรายกันมาติวกันคล้ายนักเรียนติวหนังนสืออย่างเนี้มีอาจารย์เป็นเป็นประธานในหมู่และบรรดารสาวกก็มาติวกัน ตัดผักกะต้มังลงฟางลนั้นเป็นขนาดแล้วก็ยกขึ้นทีเดียวอ๋อลูกนั้นมีอะไรบ้างแจกไปปัดผักกะต้มังนามังที่เดีูวันน่นเป็นขไหนแล้วก็แยกกันไปเมื่อแยกกันไปสาขยายกันอย่างนี้แล้วกอรวมกลุ่มสาขยายกันอีกทีเรียกว่าสังขยาณาสังขยาณาคือการเล่าบนการสาขยายในขอดธรรมะขวินัยที่หมู่คณะได้ตกลงกันได้ติ้นกันเลยมันแน่นอนแล้วว่าเขากันอย่างนี้เลยนะแล้วก็สาขยายเป็นกลุ่มเป็นก่อนประสานเสียงขึ้นพร้อมกัน เนอย่างประเพณีการสวแจแงของเราเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากที่ษี่สังขยาาดังกล่าวมาแต่เป็นกันย่อจนเหลือนิดเกี่ยวสวดแงเนี่ยย่อย่อมาเองประเพณีครั้งนั้นเป็นยังไงประเพณีอย่างนี้มีมากระทงในสมัยที่เราเรียนต่อหนังสือขั้มที่ยังสอบบาลีกันในวัดสะแกวเนี่ยต้องเรียนการเรียนต่ออาจารย์แล้วก็ศาสตร์ายภาพในครั้งก็นู่นความจำดีกว่าภาสมัยนี้มากเพราะว่าสมัยนู่นอุปกรณ์การศึกษาไม่มีต้องอาศัยความจำเป็นใหญ่ จะเรียนอะไรสักทีต้องแบกคำทีไปกะเสินแล้วจะเสียนอีกไปลานอะลอกแล้วอกอีกความจาท่านจึงดีมากมูลอากาศใจเนี่ยท่องในภุมิยยหมดเลยหนละับตาว่าจบหมดมูลอากายเลยเพราะนั้นบปเรียนสาประโยชนในสมัยสอป่า ก, า ก, ก็ข้าแก้วมีความภูมิรู้สูงกว่าประโยคน์เเดี๋ยวนี้เพราะว่าท่านท่องมูลอากาศใจอยู่ในท้องหมดท้องหมดเพรอขยับเอาที่ไหนมาท่านรู้ทั้งมูลทั้งนามทั้งภาตทั้งแยกออกหมดเตดียแยกออกหมดเลยอยู่ในภูมิหมดไปเนสประโยชน์ฉัเป็นผู้ชาจานโตว่าระคังน่ะ แค่ประโยชน์สาแล้วท่านไม่ยอมเข้าสนามสอบนะท่านสอลูกสิบสอบประโยชน์เ้าเป็นแถวแถวถ้าจอมกล้าแล้วต้องยกให้เป็นป ร, ริญญยกให้มหาเถ ร, รเป็นป ร, ริญญยกแม้ไม่ ย, ยมอมต่อก็จะให้เป็นป ร, ริญญที่ว่าป ร, รีญญยกว่างันความรู้ดีอันนี้นี่นะครับเป็นมามีมีต่อจากการศึกษาในครั้นขั้นพุตธการหร่ออย่ามาที่เดียรเพราะฉะนั้นเมื่อในสมัยที่พุทศาสนาในยุคศตรวรรษที่แปดถึงที่เกพุทธศาสนาทระอิีธิยามหายานานานาในกาย เป็นตึกเป็นแห่งแล้วก็เจริญแผ่ไพศาลกว้างขวางมากขณะดสูงทั้งสองข่ายใหญ่คือข่ายฮินยานและข่าหมหายานเนี่ยต้มีการประกูดประคันกันในการจัดมหาวิทยาลัยสูงขึ้นมามหาวิทยาลัยสูงแห่งแรกจึงมีกำเนิดขึ้นในโลกเรียกว่ามหาวิทยาลัยนารันทาเกิดขึ้นในแคว้นมคตเป็นมหาวิทยาลัยฝ่ายมหายานฝ่ายฮินยานก็เกิดขึ้นในแคว้นวัลพีเรียกว่ามหาวิท ย, ย, ย, ย า, า, ยานนลยาาัยวัลพีวัลพีอยู่อินเดียตะลันตก นาลันธาอยู่อินเดียตะวันออกอยู่กับคุรฤทิ์นะหินใหญ่อยู่ตะวันตกมหาใหญ่อยู่ตะวันออกของสถาบันใหญ่มหาวิทยาลัยนาลันธานี่แต่เดิมก็เป็นวัดเล็กๆวัดเล็กๆแล้วก็ทีหลังก็เขาขยับขยายก็กลายเป็นวัดใหญ่ขึ้นนักเข้ากษัตร์ในราชวงศ์หันบัณฑนาบันกะมาได้ให้ความอุปถัมภ์หลายอย่างสร้างเป็นรูปมหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมา มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีพระนักศึกษาจํานวนสามหมื่นรูปในสมัยหลวงเรืองมีทิศสามหมืนหม่นสามมีศาสตราจารย์เป็นจานวนเรือนพันศาสตราจารย์อาจารย์ปัญญาวิชาในมหาวิทยาลัยจํานวนเรือเรือนพันแล้วก็มีเรียกว่ามณเฑียนคือปาปาทเจ็ดท่านสามหลังใหญ่มีหอสมุดสามหลังใหญ่หอสมุดสามหลังนี่ตั้งชื่อพาพ่องนะ รัตนคัตาาิรัตนรัญชกะนี่รัตนาสาคอนสามหลังใหญ่รัตนคัตินี่หลังหนึ่งรัตนรัญชกะหลังหนึ่งและรัตนสาคอนอีกหลังหนึ่งสูงเทียมเมฆหลังมะฮือมาเิคัก็จริงี่สมัยป อ, อยนะฮะเกจเกจชั้นหาดูย่าจะตายไปนี่ี่สร้างเกชั้นสูงเทียมเมฆบรรดาศาราจานักศึกษาินลอยในวัดตลอดในหนมหาให้าะไรก็คือวัดนั่นเอง มีกาแพงเป็นตรากา ร, รลอ้อมรอบมองดูแต่กลายเป็นมุมๆหนึ่งที่นี่เองซึ่งมี ป, ประชาชนเป็นพรักทั้งนั้นในเมืองนั้นแล้วก็ผู้ที่ทรงความรู้จบปฐพีดีดกน่กะอาจะคถาดีกาทั้งระกษ์ทีอย่างน้อยมีอยู่ห้าสิบท่านปราตราจารที่ท่องพระตาดีดกปากเล่าได้นะห้าสิบท่านแล้วก็ที่ท่องแต่ละปีดกได้นะ่ะอีกเป็นร้อยๆ้อท่านแล้วที่เชี่ยวชาญเฉพาะคำดนะีน่ะนับไม่ถ้วนท่านอยู่ในนั้น อเค์ที่มีความนอนสูงมากลิฟต์มันไปอยู่ชั้นยอดสมัยก่อนลิฟต์ไม่เคยมีแมสต์หรือมาเป็นท่าถีรัตแก่ๆน่าจะไม่สู้สบายนักหรอกมีมัอยู่ที่ชั้นเจ็ดะจะเดินจะเหินต้งทีคงจะไม่สู้สบายนะกหเพราะว่าวลิฟต์ก็ไม่มีแต่ว่าอาจจะใช้วิธีถามทะงม า, ทานทะนั่งแขแล้วหามลมาก็ได้ถ้าแก่ๆที่เป็นถ้าถีรัตแก่ๆหน่อย มีความรู้เป็นติกิดติกิดติปิดติปิดติป็นติกิดติปิดติปินติปิดติ้ินติปิดกิปิจริปิดตกปิดติปิดริปิดติปิดติปิดติปิดติปิดติปิดติปิดติปิดติปิดติปิดติปิดติเิดติปิดติปิดติปิดติปงดติปิดติปิดติปิดติปิดติปิดติปาดเิปิดติปิดติปิดติปิดติปิดติปิดติปิดตินินติปิด่ินิดติปิดติปิดตเพราะฉะนั้ น, นปนิดติอกดติาิดติปิี้ิปิดติปิดติปิดติปิดติปิดติปิ แล้วก็เสาประดับเพชรแล้วเป็นยอดประสาขเพชรจริงจินดาไปประดับได้ศิราจาลึกของของพระเจ้าเยโสมิตรารมนาบอกว่ายอดธรรมบุญเพียนในมหาวิริยมาวันทาน่ะเหล่ากับเจ้ยยอดเขาไกลล่าของพระอิศวนให้ได้อายเนี่ยไอความสวยงามคือไอแสงทองที่ถูกเป้าแสงโคมส่องศาสเนี่ยเกิดตามประยิประยับรุจิเรขาสวางตะว่าเวิ้งวุ่งไปหมดมองดูก็ กลางค้าในตาหมดแสงเพชริงกินดาแสงทองคำแต่เดี๋ยวนี้โบดลังคาบดวัตไทยเนี่ยกระเบื้องเครือบไม่เชื่อเราไปดูเพี่ยงจัดจัยังตาอะไรยังงงเลยแปั๊บปั๊บนี่ลังคากระเบื้องทองคาประดับเพชรมันจะไม่แป๊บตั๊บไหวหรอกอ่าดีนี้ไม่เชื่อเราสมองกระเบื้องเครือบเพราะมแกะดูดิเวลาเที่ยงจจัดอะมองแ ป, ป๊บตั๊บแป๊ตั๊บเปเงาทีเดียแค่กระเบื้องเครือบยังแป๊บั๊บเลยอย่าว่าแตไ้ลังคาทองคาประดับเพชรนี่นั้นทเป็นยังไง ห้อบรรยายของนักศึก ษ, ษ, ษาหนะเฉพาะห้องประชุมนะขนาดจุพระได้ตัางหมื่น่ะมีอยู่แปดห้องเลยกันใหญ่กว่าที่มีหลายเท่าห้องประชุมใหญ่กว่าที่มีตห้าเท่าจุพระได้าั้งหมืนนี่นะแต่ห้องแปดหลังใหญ่แล้วก็พระสงฆ์ที่จินอยู่ดับนอนในบ้านใหญ่แห่งนี้น่ะผู้ดีถูกต้องตองญญามวินัยบัญญัติทุกอย่างไม่มีมีเพียงโต๊ะเล็กๆให้ให้วางเครื่องเขียนอัถรรพบริขาร วางแผลดิมุมห้องแล้วมีอะไรผมบัติเป็นของตัวเองทั้งสิ้นไม้อะไรเลี้ยงดูหมดสองมือทำไมไม้อะไรจะมีปัญญาเรื่องข้าจึงเรีนตั้งบหมื่นหมื่นกปนาพระมหาตัสสะเป็นอินเดียนอกอินเดียที่นัถือพุทธศาสนาแล้วกบรรดาพ่อค้าขหาบ ด, ดีที่มังง่งคั่งได้ถวายกาลปนาเป็นห ม, มู่บ้านภาษีจากหมู่บ้านเหล่านี้ยกเข้านารันคาหมดอย่างน้อยๆก็มีถึงสองร้อยทาม สองวัยธรรมในในชมูทวีที่อุพิษภาษีลายได้สําหรับเป็นพัานาตินาแต่ประสงค์ในนาลันทานี่แล้วท่าที่เรียนในนาลันทาเนี่นั่งเรียนกับพื้นนะนั่งพับเพียบเรียนกับพื้นมีต๊ะเล็กๆอยู่ข้างหน้าแล้วมีเสื่อกระจูบปูแล้วมีอาตนะปูเป็นปูเป็นวิถี ธ, ธาา น, น, น, น, นนะสันทัดน่ะอาจารย์ผู้บรรยายก็นนะั่งนั่งอยู่บนฐานทุกชีต่อถึงจากพื้นนิดหน่อยแล้วข้างหลังฉันฐานก็มีทุกชีต่อคุณก็นไปอีก เบริสถานพระพุทธรูปถ้าเป็นห้องบรรยามหายานก็ตั้งรพระโพธิสัตว์ตั้งเอาไว้อา จ, จารย์นั่งขัดสมาธิบรรยายน้าและบรรดาพรนั ก, ศ, กศึกษาก็นั่งเรียนกระพื้นกันถักจากห้องเรียนออกไปเป็นเป็นมุกยืน่นพักจากมุกยื่นลงไปเป็นสนามหญ้าเขียวขจีพักจากสนามหญ้าออกไปเป็นต้นป่ามะม่วงป่ามะม่วงในท่ามกลางป่ามะม่วงก็มีสระบุคลินทั้นก็ราสระบุคลินเหล่านี้พระต้องอาศัยไช้ สงฆ์เป็นบ่อหลายเป็นหลายร้อยบ่อทีเดียถึงจะเพียงพอคนจำนวนมากอย่างนั้นนะและมะม่วงมัเป็นพันพันต้นมะม่วงเรานี้มีประโยชน์คือว่าทำลงให้คันน้าอัฐบายถวายพระพันพันต้นเนี่ยเวลาบ่ายเวลากลางวันก็เป็นที่พักหลบร้อนสำหรับพระนักศึกษาจะไปเอาตําลาไปกางข้องบนอยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่นี่เป็นหนึ่งอนสภาพการของหน้าลันทา หลักสูตที่สอนในมาลันมาลันธานั้นวางเป็นวิชาบังคับมีอยู่ห้าแขนงห้าแขนงด้วยกันขแขนงที่หนึ่งเรียกว่าอัจฉริยาาะธรวิทยาคือวิทยาว่าด้ยวยความรู้ภายในได้แต่ความรู้ในพุธษษทธศาสนาคุมีกายต้องเรียนหมดไม่เฉพาะเรียนชี้นในย่างหรือมหายานอย่างเดียวต้องเรียนทั้งทุกมีกายพุทธศาสนามีกี่สิทมีกายในไรข้างนั้นเรียนหมด แล้วก็เรียนทั้งปรัชญาเปรียบเทียบในศาสนาอื่นปรัชญาของพรรามปรัปรชญาในมานาลัทธิที่มีในคมพูทวีปเรียนหมดแขนงนี้เรียกว่าอัจฉิยาาะธรมวิทยาแขานงที่สองเรียก ว, ว่าเหตุผวิทยาคือความรู้ว่าว่าเด ว, วิชาการตัววาทีวิชาการว่าเดชการใช้ตักกะการใช้เหตุผลเป็นวิชาจําเป็นสำหรับ น, น, นักเถยแผ่ ใครตั้งข้อรับประวาติมาเราจะโต้แย้งเขาอย่างไรจะหักกล้างมติเขาอย่างไรฝึกใค้เป็นนักพูดนักโต้วาทีนักเผยแผ่ต้องเรียนวิชานี้เรียกว่าเหตุวิทยาไม่งั้นน้าใครมาตั้งปัญหาแย้งเราก็อับจนต้เขาไม่ได้ก็เจ๊งขึ้นมาเองเพราะฉนัออ้นนักศึกษาที่จะเป็นนักเผยแผ่ต้องเรียนเหตุวิทยานี่เป็นแขนงที่สองแขนงที่สามเรียกว่าจิตศาวิทยากิตศาวิทยาคือวิชาแท้ ถ้าต้องเรียนรู้วิชาแพทย์การใช้สมุนไพรการบำบัดโรคคือไม่ใช่เป็นผู้จะบำบัดเอ้ากิเลสอย่างเดียวยังมีความรู้ที่จะบำบัดโรคทางกายได้ด้ว ย, อ, นน อ, ย, ย อ, ชชอันนี้ทําให้ฐานะเขาท่าเป็นมูชนิยในสายตาเขาประชาชนอันนี้สำคัญมากนี่ถ้าสองวิชาแพทย์ในการจะรักษาโรคชาวบ้านได้เรียกว่าจิตปราชญ์อทยาอันที่สี่เรียกว่าตัทธกิทยาคือวิชาบ้านในวัานาคดีอสรศาส นักศึกษาจะต้องเป็นนักแต่งตำรานักเขียนหนังสือเผยแผ่ศาสนาไดา้ไม่ใช่ดีจะพูดเป็นเขียนต้องเขียนได้เขียนบทควานได้รประวติศาสตรอไดเขียนหนังสือเผยแผ่เฉยชูยธธพุทธศาสนาก็ได้เขียนบทละครทินครรม ก, ก็เป็นวิชาวิชาวณคดีวิชาเขียนแต่งเรีวยกว่าศิลปวิทยาคะแนนสุดท้ายเรีวยกว่าเขียนรัตวิทยาครอบหมดวิชาโลหะสถาปฏิยกรรมอ่ะ วิชาการต่อป้าป้าไม่ต uh, ้องไปให้ใครวาดแบบแบบแปลนโบสถ์ไปตอกท่านเป็นนักเทคนิคสร้างแบบแปลนได้เองจะไปสร้างโบสสร้างวัดที่ไหนไม่ต้องไปเสียเงินให้จ้างใครช่างมาวาดไม่ต้องท่านเป็นนักเทคนิควาดไปเองวิจารหล่อป้าเหรอไม่ต้องไปจ้างใครหล่อลงมือหล่อเองเลยลูกนี่โลหะวิทยาแล้วก็วิชาอื่นๆการสร้างบ้านอะไรรวมกันได้หมดตกลงว่าวิชาพัฒนาที่เราต้องการในทุกวันนี้น่ะ ชาติในข้างกันโน้เรียนรู้หมดอยู่ในฝาขาเฉพาะวิทยาจะขุดบอ่อหรือจะตัดถนนหรือถ้ามีความรู้จะสอนชาวบ้านเป็นผู้นําชาวบ้านทําได้หมดเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าธรรมะพูดจากนารันทาเนี่ยเมื่อไปแทนศาสนาที่ไหนแล้วจะไม่ทำมาคิดศษาสนาตั้งมั่นได้ทีหนึ่งว่ามิสมีรอบตัวหมดนี่อ่าเป็นทั้งไหนแทนที่ไหนละเจ็ดัวคทักษ์สาดา ใครไม่มีใอยากจะสร้างบ้านสร้างท่องมาอา้างสร้างวัดแบบแบบแผนเลสร็จว่าบ้านลักล่านี้อึ่างดีนะจะสร้างวัดเหรอเออมามาฉันจวาดไปหมดแบบแผนโบสถ์วิหารไปหมดถ้าไม่ทำพึ่ขรุขระขรุระต้องมาพึ่งพานเพราะฉะนั้นฐานะของข้าจริงเต็มฟูชนิยะเพราะความรูมีหมดทุกด้านเลยเป็นชนิยะอย่างนี้เป็นในฐานะเป็นคุณลูกเขาได้อย่างนี้ขรหัสะดูถูกแท้เลยได้เพราะข้าไม่ต้องอาศัยจมูกขรุขระหายใจ เราเป็นผู้นำเขาโคตรหาไม่ว่าทางสุขาภิบาลทางพัฒนาท้องถิ่นทางการศึกษาแม้กระทั่งทางบรรหมัดกิเลสมีความรู้งยากตัวหมดนี่พระนารันธาปาสนาพุทธที่แท่หลายไปในเมึงจีนในทิเบตในญี่ปุ่นในเอเชียกลางในเซดิเรียในอินโดนีเซียอาศัยพระจากมหาเทวสงดังกล่าวทั้งนั้นครเรียนจบแล้วท่วานก็แยกย้ายกันไปทางาน รจรักษาที่คุ้มเจริญกังบัุชนาหาิตายาบังคุชนาสุขายะโลกามุขามตายาอัคคายหิตายะสุขายะเดวมุขานังทําตามตพุทธพจน์ข้อนี้ทั้งนั้นแล้วก็มีความรู้เป็นมภาคคือไม่ไดไปทาด้วยไม่ต้องกลัวจะไปในท้องทินใครตั้งข้อกล่าวหาโจมตีศาสตราพุทธท่านก็มีเหตุปิทยาเรียนมาแล้วโจมตีตอบแจกรัตวารตอกไปเจอชาวบ้านตกตะกั่วลำบากโู้ใครใครเจ็บเบียดเบียนท่านก็วางอยู่วางยาตรวจโลกแล้วให้สนุนใครรักษาเลย เขาทเรียนวิชาแปลกมาแล้วไปถึงที่เขาเริ่องแต่พระเขาอยากจะสร้างวัดสร้างโบสถ์ท่านก็วาดแขนผางให้เขาสร้างเขาไม่มีบ่อน้ําหรือไม่มีหมู่ละใบน้ำมหาคันท่านก็สร้างแข่งถังบอกวิธีการสร้างหมู่ละายน้ําให้กับประชาชนเขาอยากจะหล่อพระให้บูชาท่านก็หล่อให้เสร็จความรู้มีเทียงแต่ว่าชาวบ้านเขาทองเหลืองมาโลหะมาท่านตั้งเตาหูงหล่อพระให้เลยไปบูชามาจะไปจ้างใครหล่อละเมื่อพระเป็นแค่ทุกอย่างอย่างนี้ พราจรึมีความหมายต่อสังคมเป็นภูมชนิยะต่อสังคมเขากราบไหว้สนิทใจฐานะเ ข, ขาขั้กสูงศาสนาพุทธก็แพร่หลายหลักธรรมก็ตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงได้แพร่หลายไปถึงขึ้นทวีปเอเชียเป็นผลงานของนักศึกษาที่สำเด็จจากมหาวิทยาลัยสงเหล่านี้ที่ว่ามาที่นารันธานเนี่ยอาตมหรับความรู้ของผู้ที่ไดเข้าไปศึกษาในนามารันธานั้นไม่ใช่ง่ายๆนะ ไม่ใช่ว่าใครยากจะศึกษาละก็เข้ามาล้วก็ขอศึกษาไม่ได้เริ่มต้นต้องสอบปากเปลาที่หน้าประตูมหาวิทยาลัยแล้วที่หน้าประตูมหาวิทยาลัยนะ่ะมีคณะอาจารย์คณะหนึ่งเรียกวา่าทวารบัณฑิตทวารบัณฑิตใครจะมาผ่า น, าวานทวารบันดิตทวารบันดิตตั้งปัญหาถ้าเราตอบไม่ได้หมดโอกาสจะเข้าเ ร, รียนศึกษามาไม่ได้เพราะนั้นต้องสอบสัมภาษณ์จะเริ่มแรกตั้งแต่ปาก ป, ากประตกูกับประตูวัดแหละสอบสัมภาษณ์ สอบคณะคาวารบัณฑิตแล้วถ้าสอบสงขภาผ่านเข้ามาสอบสอบเขียนในมหาวิทยาลหลังแล้วถึงสอบพ่อเขียนผ่านแล้วถึงจะมีสิทธิรับเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพราะฉนั้นผู้ที่มาเข้าศึกษาในมหาวิทยลาลัยนะ่ะจะต้องเป็นพระชั้นหัวตะพี้มาจากที่อื่นแล้วมาเองมาจากที่อื่นแล้วแล้วขอดมาเรียนให้มันช่ำทองยิ่งขึ้นในมหาวิทยลาลัยงแห่งนี้มาทบตัวนกันี่นี่ รักจบออกไปก็เป็นนักเผยแผ่ที่ทํางานได้ผลจริงๆเียเดียรนักศึกษาในนานาลัตา น, นอกจากพระอินเดียจะเรียนเองแล้วยังมีท่าต่างชาติเดินทางมาเรียนเช่นท่าจีนอ่าพระเกาหลีพระอินโดนีเซียในครั้งนั้นนะคำมือขอต่อแปดแปดเก้าร้อนะ่มาเฉลียวนี้นะครั้งนั้นพระเหล่านี้เดินทางข้ามทะเลข้า ม, มหาสมุทรข้ามภูเขาข้ามทะเลทายมาบางท่านอาชีพมาทิ้งในกลางทางจะมีแั่ง้องยๆ อย่างพ้าจีนเนี่ยมีอยู่ถึงสองร้อยตัวลูกเรินทางมาเรียนในนาลันทาเอาชีวิตไปพิ้งในกลางทางตั้งร้อยกว่าที่เหลือมาเรียนถึงนารันทาได้จำนวนน้อยเหลือเกินท่านก็ยอมตายเป็นชีวิตตะพเพื่อศาสนาต่างกันแล้วท่านที่เรียนสําเร็จมาแล้วกลับไปเมืองจีนไปเผยแพร่ศาสนาก็ทํางานได้ผลอย่างมหาศาลซึ่งมาจะเรียนในภาพพุทธศาสน า, าในประเทศจีนตอนนี้จพงแต่บรรยายถึงว่า สถานการณ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขรงนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นรูปของนาลันทาที่เรารู้เรื่องนาลัาทาละเอียดนะเพราะพระคัดศึกษาชาวจีนในข้างนั้นเดินทางมาเรียนหลังและท่านกลับไปท่านขีนจดหมายเหตุไว้เราถึงรู้รายละเอียดเหล่านี้จากจดหมายเหตท่านซึ่งยังตกอทอดถึงปัจจุบัน่นสําหรับมหากรทีลัยวัลพีซึ่งเป็นฝ่ายหินยานตั้งขึ้นเราไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าพระจีนท่าน ม, มีมหายาน ถ้ไมไ่มาเรียนในมหาวิทยาลัยวรารพีหรือไม่เด็กเขียนข้อบันทึกกว่าในวลรพีน่ะระบบการสอนอย่างไรแต่ว่าเราถึงเอาใจความว่าคงจะมีไม่พ้นแบบนารันทาเพราะการศึกษาในรูปศาสนาเดียวกันแล้วต้องจัดท้ายคึงกันไม่มีอะไรแตกต่างกันสีมากน้อยหรอกนาม่ฐานมาเป็นอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยนารันทาซึ่งเกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่แปดหลังพระเจ้าลิพานคราวนี้เรามากล่าวถึงพระเจ้าหันพระเจ้าผันดินในราชวงศอง วันธนะที่ปกครองแทนกันเนาพระเจ้าแผนดินองค์ทั้งองค์แรกชื่อพระเจ้าประภากรวันธนาองค์ที่สองชื่อราชยะวันธนะองค์ที่สามชื่อหันจักรวันนะองค์นี้ทจำเป็นชาวพุทธิกเข่งคัดมากทั้งๆที่เป็ น, อนจอมจักรพรรดิลบมาสารพิษสารพิษแล้วพระองค์ไม่เปรืงไม่เคยเปลืองเกาะตลอดเวลาระยะสามปีเป็นคําพังเภยนะแปลว่านอนเราก็อยู่ก็เกาะ ลบมาเลือกแทนจักรวรรดิแบบดีพระเจ้าโศกท่านพินงูจน์ได้ว่าในสมัยใดยที่อำนาจจักรวรรดิแข็งแกรง่งพุทธศาสนาก็รุเรืองเหมือนกันพุทธศาสนาในสมัยใดที่กษัตริย์เป็นชาต พ, พุทธิเครึ่งครับนะอำนาจจักรวรรดิก็แข็งแกรง่งเพราะนั้นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะแค่แก้ข้อ ร, รับประวัติบางอย่างได้ที่หาว่านับถือพุทธแล้วครับ อ่อนแอขโมยไปทำตามตามอาติบาทไม่ได้อ่อนแอเป็นที่ข่าเขาม่นจริงเลยประวัติศาสตร์ทุกๆทุกสมัยพระเจ้าพันิ้นที่เข้มแข็งเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งด้วยพระเจ้าันินองค์ไหนนับถือพุทธเข้ครับพประเทศชาติเขาพระองค์ก็เข้มแข็งมีอำนาจมากด้วยไม่ม่เราไม่ต้องดูอีกไกในประเทศไทยเป็นตัวอย่างเพราุลากําแพงก็ยังชาวพุทธเข้มแข็งนี่ศาสตรนักพุทธประเทศชาติเป็นยังไงบ้างแผไปกว้างขวาง พุทธิยาภาพระเจ้าคุณทนไม่ได้ชาติพุทธิเข็มแข้งแล้วอำ น, นาจประเทศไายแผ่ ไ, ไปถึงไหนสมัยรัชกาลที่หนึ่งไม่เคยมีสมัยใดที่แผ่ที่ประเทศไายใหญ่โตอย่างรัชกาลที่หนึ่งภาคเหนือจุดยนนานของจีนน่ะภาคเหนือรัชกาล่หนึ่งตะวันตจนกจุเอ่าวเบงกอนเนี่ยทอดสีได้ถวายมาริษฐถวายตะนาวศรีถวายจุดอ่าวเ็นกอนตะวันตกทิศใต้จุดแหลมมาลา ย, ยู่ตรังกนมือริษฐไปบุรีอ่ากระดานตานไปมึอขึ้นไายหมดทิศตะวันออกประเทศยูนในมึงขึ้นไทยเขมรอยู่ในมึอขึ้นหมด นี่เป็นสมัยที่แผนที่ประเทศไทยใหญ่โตที่สุดไม่เคยมียุคใดที่มีอาณาเขตกว้างขวา ง, งเท่าแล้วถ้องค์ประชาพุทขึนข้นข่งทัดแค่ไหนเราก็รู้แหละเพราะนั่นไม่ต้องยกตัวอย่างในประเทศไทยแม้ประเทศอื่นไม่ไว่าจีนที่สูนอินเดียประเทศที่ถือพุทธอ่ะถ้ายุคใดพุทธาศาสนารุกโกรธนะอำนาจทางการเมืองก็เข่นแข็งยิ่งใหญ่ด้วยยุคใดพุทธาศาสนาเสื่อมโทมอำนาจการเมืองก็เฟะปอนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ พระเจ้าอาโศกในอินเดียก็ดีพระเจ้าคนิสกฐมหาราชในอินเดียก็ดีพระเจ้าหันซะในอินเดียก็ดีเป็นลูกที่จกักรวรรดิอินเดียเข้มแข็งที่สุดทางการเมืองแล้วก็พร้อมกันนะั้นพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองที่สุดด้วยอันนี้เป็นสีพยานดา์จึงเป็นการที่เราจะแก้อกกรัตวะของพวกกิจปรสงค์ร้ายต่อพุทธศาสนาพระเจ้าหัาานซะรบคณะอินเดียภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันต ก, นตกเป็นมือขึ้นพระ อ, องค์หมด พวกชนะหมดแต่กว่าต้อพระองค์น่ะทิศเหนือจดภูขเขาเหินดูปูดกาศมีระาทิศตะวันตกจดอัปคานิศานทิศตะ ว, วันออ ก, กทิศตะวันออกจดเบญจกรทิศใต้จดขื่อเคราะห์ขึ้ขเขาบินไทยกุ้มหมดอนณาเขตอินเดียในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วพระองค์เป็นชาวพุทธที่ข่งขัดที่สุดเป็นชาวพุทธในสายมหายานที่เข่งขับที่สุด งดเว้นกินเนื้อกินปลาทุกชนิดออกกฎหมายห้ามไม่ให้ประชาชนกินเนื้อสัตว์ว่าเป็นบาปกรรมเป็นการอันล้มปานาติบาตห้ามไม่กินขันหมาพุทธภูมินี่พระเจ้าหลังศักดิ์าานี่ปัดคะแนนพุทธภูมินะแล้วดําเนินปฏิปทาเป็นคงที่ตัดเลยห้ามกินเนื้อสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ทั้งประเทศแล้วต่อห้ามไม่ให้ประชาชนฆ่าสัตว์ห้ามไม่ให้ประชาชนกินเนื้อสัตว์ให้กินอาหารผักอย่างเดียว ว่าเป็นการเบียเดเบียนขาวเมตตาธรรมไปสบายกินเนื่อตัดเขาอ้ามหมดเพราะองค์เองประกาศว่าพระองค์เป็นโพธิสัตว์แล้วก็พุกพ5กห้าปีน่ะทรงมัเทนมาหาบริจากมาหาบริจากเนี่ยคืออย่างไรพุกๆ5กห้าปีพระองค์จะเอาทรัพ์สมบัติในสิบสองท้องพระคลังออกมาให้เป็นทานจนเกลี้ยงเกลาเลยยกเว้นแต่ ลีพลตะกลไกทับช้างทับมาให้เป็นทาไม่ได้เพราะเป็นกําลังป้องกันประเทศสมบัติอื่นให้หมดเท็ดนิงกินดามงกุฎอะไรให้หมดราชภูสิตาปอลอลังการต่างาๆให้หมดอาสถานที่ทรงบริจาค่ะอยู่ที่เมืองท่าปยาค่ะอันเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์เป็นประชุมของแม่น้ําคงคาจายมูนาไหลมาบรรจบกันที่นี่เวลานี้อยู่ตอนเมืองอลาบัตในอินเดีย แล้วพระเจ้ากระสดพระเจ้าหันปากเนี่ยประชมุมบรรดากตรประเทศราชทั้งหลายที่มาลุ่มอนุโมทนาแล้วมีท่าสงจากจพกทุกสารทิศมีพวกคราอาชีวกมีคนต่างๆมาลุ่มอนุโมทนาเป็นศักดิทิพยานมีประชาชนจํานวนมากเดินทางมารับบริจาคเพราะองค์เองถอดมุขขุดออกเป็นคานถอดเครื่องวิภูสิตาพรเป็นคานแต่ทั่งทุบตักใอ้ตัวเองไม่มีขอผ้าผู้สาเก่าๆมาห่มห่มผู้สาเก่าๆห่นเดียวนะ แล้วมีสมรรถอีกแล้วเนื้อตัวมอมเมนคล้ายๆจะยาจกนี่แหละแล้วก็ทรงชุมทศททททนัขคือเหนือผาเป็นวัีออกมาว่าด้ยวยเดยชะอนุภาพทานบริจากของข้านี้ข้าไม่ปราถนาตึ่นแกรกรวัติสมบัติอินทรสมบัติภมสมบัติข้าปราถนาอย่างเดียวคือสนเพชรชดายาในอนาคตขออนุภานนีจงให้ข้าได้ตัสรู้ เป็นพระมาทําพุทธเจ้องค์หนึ่งในอนาคตการเรื่องหน้าเถิดบันตอนนี้คราวนี้ก็เป็นปกเป็นที่นั่ของมรรดาพระมหากษัตริย์ที่เป็นเมืองขึ้นล่ะเดือดร้อนคือว่าใครเลยจะทนดูได้ว่าจอมแตกรวัติจอมแตกะพักเนี่ยมันนุ่งพระภูษาเก่าๆมอมมอมแมนๆอย่างนี้บรรดากษัตริย์ประเทศราชเหล่านี้ก็วิ่งไปหาพวกขีรับมงกุฎพวขยาจบตอนนี้พกที่เอามงกุฎเอาขึ้นสังวานเซ็ตพระเจ้าหันกลับไปบอกว่าขอไถ่ายคืนได้ไหมขอไถ่ายคืน ให้ตีราคาเป็นตัวเงินเท่าไหร่ถ่าคืนแล้วก็อเอาพวกคืนวิฟวิสิตาพอนี่มาถวายคืนพระเจ้าขันทักทุกๆหาปีพระเจ้าหันตสกทาอย่างนี้และประกาศให้บรรดาประชาชนฟังบอกว่าเตรดูสินี่แากชกษัตริย์ของอินเดียผู้ยิ่งใหญ่ผู้กราบมาพุกติดทิศแล้วสมบัติเหล่านี้ไม่จีรังทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราไม่้แต่สิ่งเดียวเลยถ้าใครไปหวังว่าสมบัติพวกนี้จะเป็นของเราได้คนนั่งคนงุ๊กเพราะฉะนั้นบัตรนี้เราปลอดภัยแล้ว เราได้ฟังขุงทรัพย์ของเราทั้งหมดว่าในที่ปลอดภัยโจรนบ่นไม่ได้ไฟเผาไม่ได้น้ำพ่วงไม่ได้เราปลอดภัยนะฮะที่เราบริจาคออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นใครอย่าไปสงสัยเลยว่ า, าพระภูทิสักกระชาโบกจะมีไม่กินอย่าเพิ่งเลยสันดอนอะที่บริจาคทางมาลูกตาเป็นทาน่ะอย่าไปสงสัยเลยมีแน่คนพระจ้หันตะ ย, ยังทําได้เลยบริจาคแล้วไม่ต้องไปมองกลถึงพระจ้หันตะเมืองไทยนี่มีพิจารณ์ดินทำมาแล้แบบนี้ พระนางก้าวเจ้าอยู่หัวทําให้ลูกทําเป็นทานลูกชายลูกหญิงโอรสีดาเนะ่พระองค์วีระกับตัวเหมึองอับตอนสุดาเทพพระองค์เจ้าลักษณะลูกคุณองค์หนึ่งตัวเหมึองอับตอนสุดาเทพองค์หนึ่งบริจาคให้พระสงฆ์เป็นทานพระสงฆ์รับมาแล้ ว, ลล ว, ลลวลก็ต้องถวายคืนเพราะไม่รู้จะเอาลูกพระมารถจัดไปบัดชัเป็นลูกศิษย์ได้อย่างไรรีดถวายคืนท่าหมั้งท่านทาตามด้วยฉันดอทําตามภูริศักดิพระนั่งกา้าของเราเนี่ยแหละนะหมู่ร้อยีเสร็จมาเนี่แหละบริจาคกีดาโอรสเป็นทาน มีตัวอย่างมาแล้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงผูท้ที่ชามีน้ําใจปราถนาพทุทธภูมิแล้วก็มีน้ําใจเสียสละจริงๆทําได้จริงจริงแม้กระทั่งชีวิตให้เป็นทานยังได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าขันสะวัฒ น, นะที่บริจาคให้เคข้าวข อ, ของพวกนี้เป็นทานนะฮะแล้วพระองค์ได้สร้างวัดวาจำนวนตั้งเป็นร้อยๆยวัดในอินเดียภาคเหนือสดับสนุนการศึกษาในานารันธาแต่ว่าเมื่อพระองค์สวรรคตไปแล้วราชวงศ์ของพระองค์ก็เสื่อม การตัดองค์ต่อมาก็เกิดการบดขึ้นเป็นขามหัวหน้าการบดเป็นขามชื่ออรชุนล้มราชองค์วันธนลงแล้วก็ตั้งเวงใหม่อินเดียก็เข้าสู่กาลียุทอีกวันนี้ก็ขอจบแค่พระเจ้าหันสะศิงข่นี้ก่อนไอ้โครโฟนผงฝัยว่าเอาว่าที่จะบรรยายจะฟังไงก็ไม่ใช่นั่งฟังกันมากอย่างนี้นี่ครับฟังกันร้อมๆอาจารย์ก็ผู้บรรยายก็ฟังกันสิบกว่ายี่สิบคน ไม่สามารถจะออกมาบรญยาลฟังกันมาก ๆ, ๆไม่ได้ยินเลยครับคำป็นดาบที่ไม่มีทางได้ยินด่าาธรรมะท่าพระโกดีตักนี่ก็เป็นเพียงเตวัจจีพนามว่าพุทโธโหโมิอานาคเตะนะสมาทานแบบนี้แล้วเราก็บำเท็ญพระบารมีตั้งแต่ทานศีล ในคำมั่นสัญญาขันติวิริยะปฏิจะอธิฐานะแม่เต้ม่ตาอุเบกขาครบเป็นโพธิสัตว์มหายานครับเป็นชาวพุดฝ่ายมหายานท่านปัตตานะพุทธภูมินี่ยถ้าหนึ่งจะปัตตานะพุทธภูมินะครับก็เป็นเพียงแต่เป่งบาจีประนามหน้าพระพุทธรูปมอกว่าพุทโธโหไม่อนาคเตนี้พอแล้วขอให้ข้าเนี่ย เดชเป็นเดชสนเด็จเป็นผู้จีจ่าวองหนึ่งในอนาคตเถอะเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นภูริษัตในขณะนั้นไม่ต้องมีดีกรีให้เป็นเอเวอเรตโตไมติกเสือเียร์ใครก่อนหน้าเป็นภูริสัตกันเยอะแยะนะคนไครสมัยก่อนเ น, น n, ี่ย McMahon, คนโ now, air, บราณอ่ะรูกแล้วจิกวุ่นสมัยปู่ย่าตายายลูก็จะกมีห่าขึ้นไปน่ะทำบุญทําทานหวังผู้จเจ้าทํานนั่นแหละเราไปดูจดหมายเหตุโบราณหรือได้คําจารึกในพระเจดีย์กุลต่างๆที้ก็เปิดกันเนี่ยมาทำผู้จีจ่ามองท่านนั่นอ่ะ อยู่เก่ในพิธีสัปันในกรกตะกับที่มิวเซียมเลยนะศิลจารึกของกระตับต่างหลายพระองค์สิงพระเจ้าเทวปาละธรรมปาละพระเจ้ายะโสมิตรของพระเจ้ามหิดสปาละนี่ยพระเจ้าวสันตปาละเยอะแยะไปครับนับไม่ถ้วนเป็นจารึกทองแดงก็มีจารึกในหินก็มีจารึกในฐานห้าก็มีแล้วก็มาอินเดียเก็บสะสมไวาเป็นพันพันชิ้นอะไรฮะ ผู้อิสลามทำลายนารันทานี้ยเอาไฟท่อเนี้ยแล้วฆ่าพระทุกขุมเลยหมายอะไรเราลาพศพันเจ็ดร้อยเศษหมายอะไรนารันทาตั้งนี้ได้เกือบพันตีนะมีกำเนิดขึ้นเมื่อพุทสอบเก้าร้อยถูกทำลายไปพศพันเจ็ดร้อยศาสนา พ, พุทธภูมิอ่ขั้นแรกต้องทำทานก่อนครับ ้เสสละในเรื่องทานานี่เป็ น, นปฐมาคเลยทำมีจิตใจมัจฉริยะแล้วบารมีข้ออื่นทำไม่ได้ทานต้องมีก่อนทำกุศลให้อยากอยากไว้เรลื่อยให้มากๆากไว้เหลือหหล่อยอกุศลกรรมเล็กๆ็กน้อยๆที่เคยทำไว้ในอดีตจะตามทันไหมถ้าทันจะทันในวิธีไหน ตามไม่ทันนะครับอกุศลกรรมและเทคโนโลยีที่เราทำเนี่ยเป็นกระตัดตากรรมถ้าเราทํากุศลกรรมไม่มากๆเปรียบเหมือนตาช้างของข้างกุศลกรรมที่เราทำบ่อยๆเป็นอาจินตะกรรมก็ะัดจะ่เราเติม น, น้ําหนักไปตาช่างข้างขวาให้มันถ่วงเอาไว้ไอ้ตาช้างข้างซ้ายเนี่ยของมันก็เบาลงเรื่อยไอ้ทั้งนี้ก็หนนะักพราฉนั้นอากุศลกรรมที่ทาไป็ะตัดตากรรมและเป็นไม้อยจิงเปรียบเหมือนสุนัข ไล่กัดเราไม่ทันตราบใดเรายังมีสตรีมดีสีเท้าวิ่งเรายังไม่เหนื่อยไอ้สีเท้าวิ่งไม่ไม่เหนื่อยไหมปลามวะเราเพิ่มการสร้างกุศลเอาไว้แล้วก็มีวิ่งสุดสีเท้ากุศลก็เหมือนสุนัขไลเนื้อคอยไล่ตามับมันกัดเราไม่ทันแล้วก็กวแล้วเลือยจนกว่าเมื่อใดเราเข้านิพพานแล้วดับขันแล้วก็แทนศูนย์บัญชีกรรมจะกรรมใเรืนแทนศูนย์เลยหาตัวบุคคลมาลับผลกรรมไม่ได้แทนศูนย์ เหมือนักโทษติดคุกนักโทษฆ่าเขาตายปนเขาจี้เขาฟานตัดติ่งกระทงเดียกระทงที่หนักที่สุดกระทงอื่นถึงไม่จะตัดติ่งเกาะลงอยู่ในกระทงหนักเนี่ยสมมตุติว่าตัดติ่งเลยจคุกตลอดชีวิตที่หนึ่งนอกมีอยู่รายหนึ่งถูกตัดติ่งจําคุกรวมหมดร้อยี่สิบปีไอหมอเนี่ความผิดมีความผิดต้องติ ด, ตดคุกร้อยี่สิบปีแต่เขาจะมีชีวิตอยู่หร้อยี่สิบปีมันก็ติดคุกได้เพียงสิบเจ็สิแปดปีก็ตายในคุก ไอ้จามสิที่ร้อยี่สิปีก็แทนศูนย์นก็อสองมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งพยากาเผือกที่ว่ามีไข่อยู่ห้าฟองถุกพยุพัดเทารังนั้นตกลงมาจากยอดไม้แล้วอลอยน้ำไปคนลพิษละทางไยหลังแม่ไก่เตาเป็ดได้เก็บไปไว้าไข่นั้นได้กระเทาอออกมาปรากฏเป็นกุมาร มีความจริงเพียงรายหรือเป็นปปนิธรรมปํารมานิทานครับไม่นนิทานนะชะลอเปอร์เซ็นเรื่องนี้นิทานครับเรื่องนี้ฮะไม่มีความจริงครับเป็นนิฐานอการที่ท่านคุณยศโลภิขุถานบอกว่าการที่ฆ่ามหายานฆ่าคนที่เป็นมิจฉาทิพย์และตนเองยอมตกนรกจะมีประโยชน์อะไรถ้าอาตมาจะลองจะลองปรับประวาติไปคําที่ว่าถ้าทําดังนั้นเป็นมิจฉาทิพย์จะได้หรือไม่ พระพุทธศาสนาสอนให้ทำตนในพ้นทุกข์และการพ้นทุกข์แล้วก็ดีหรือกำลังสร้างบา ร, รมีเพื่อพ้นทุกข์ก็ดีถ้ามีโอกาสแล้วก็ชักนำชักนำผู้อื่นให้บรรเ็นตนในพนทุกข์บ้างพุทธศาสนามีมติอย่างนี้แต่นี่พระมหายานข้าผู้กำลังจะทุกข์หนักคล้ายคลทุกข์แต่ตัวเองลงนรกนี่นี่เป็นการเสียสละอย่างโง่ที่สุดแม่พระองค์ข้งเป็นภูริสัตว์จะมีหรือไม่ที่ทำแบบนี้ในชาดกในบาหลีเลยมีหรอครับ เป็นข้อบัญญัติภายหลังที่พระเจ้านิทานแล้วหลายร้อยปีเป็นข้อบัญญัติของชาวพุทธที่ยังมีกิเลสอยู่แต่ชาวพุทธพวกนี้มีความจงรับพักดีต่อศาสนารุนแรงมากเห็นว่ า, าทำไมทาอย่างนั้นศาสน า, า, าพวกจะต้องถูกไอ้พวกมิจฉาชีิพวกทอร ล, ล่ากดขี่ทาลายเพราะนั้นกูยอมตกนรกละมันจะชิบหายกับช่างมันกูจะเอาเรื่องไอ้พวกทอร ล, ล่าที่มาทําลายศาสนา พวกนี้เปนาวพุทธรรรอยากกับชาพุทเวียดนามเดี๋ยวนี้ไงละ่ะกำลังเดินขบวนแอนี่เหมนเกาหลีเป็นการใหญ่แอนซี่ไม่รู่ไม่ยอนเนี่ยกระทั่งชาวโลกถ้าจะลำคาญชาวพุทธเวียดนามตายเต็มทีได้ ว, ว่าพวกนี้ค า, ค า, าเอเขาใจไม่รู้จักพอสักทีไม่รู้จะเอาใจอีท่าไหนเดี๋ยวก็นายกองขับไล่หูดินเดนะียน่ะเราเห็นด้วยเ้เปเ็ว่าทำผิดเพราะหงุดินเดียนก็เป็นโทรราสกดขีตศาสนามาไอทีหลังนลยรัฐบาลต่อต่อมาเข้ามาในกดขีตศาสนาไอทีหลังเนี่าา น, น, น, นะ เขาไม่กล้ากดขีดศาสนาแล้วมันมีตัวอย่างไอ้โง่รินเดียมทํามาแล้วเขาไม่กล้าแล้วเขาก็ยกย่องดีให้เส้นผ่าดีก MM ็ไม่น่าจะไปเล่นการเมืองไปขับไล่เขามากมายต่างหากของกษัตริยบ้านเลยนี่แหละแบบตอนนี้อ่ะคือมันดีจนดีแต่มันมีหโหรุนแรงมีความจงรักพักดีกระัเอาไอ้กิเลสเนี่ยมาเต้นมันไม่ใช่ธรรมะใต้นมันเป็นกิเลสเต้นแต่ก็สรุปแล้วก็เกิดจากว่าเป็นความจงรักพักดีที่รุนแรงเกินไปนะเกินไป เพราะนั้นเราจะเ่าจะไปประน า, ามคำามักมาในนิชาทิฏกอบไม่เคยไ่ไม่ใช่เป็นวิชาทิฏนะแต่ว่าเป็นความเข้าใจที่รุนแรงเกินไปเป็นความเข้าใจที่รุนแรงผิดทรรนองครองทำไปหน่อยเท่านั้นเองไม่เคยเป็นนิชาทิฏแน่นอนนะครับเป็นการไม่ทนทุกแต่เขายินดีเขาจะยินดีที่จะไม่ทนทุกสําหรับเขาอะเป็นความพอใจที่เขาจะไม่ยอมทนทุกเพราะนั้นเขาไม่ยอมตกปรกเลยหรอเนี่ยคัติอันนี้ก็ใช่ว่าพรมหายานทั้งหลาวจะเห็นด้วย เป็นเพียงแต่เป็นกวางเห็นของมาหายานกลุ่มหมึน่นพวกหนึ่งคล้าๆพวกเวียดนามใต้เดี๋ยวนี้เดิขนขโนยกันไม่หยุดก็ไม่ใช่ว่าชาพวพุทธในเวียดนามตาจะเห็นด้วยการกระทำของพวกถ้าในเวียดนามอย่างนี้นะก็เปลา่าเป็นเพียงความเห็นของพระ ใ, ในเวียดนามกลุ่มหนึ่งซึ่งมีสาวกไอ้พวกนักศึกษ า, ากาลังเรือดร้อนอนั้นแหละยุคให้งกาะไอเป็นตังออกมาเนี่ยเนี่ยพวกคิดทำชาวคิดอะไรตา่างๆในในไส่อนเดียนี้แหะยุ่งๆอยู่เดี๋ยวนี้แหละเป็นทำนองนี้ะครับตายไปเล่นการเมืองไปแล้ว บาตรนาเป็นอรหันต์เองบาตนาเป็นอรหันต์แต่สาวกไม่ใช่บาตนาเป็นพุตภูไม่ไหวเป็นภูริสัต์ไม่ไหวจะแบกคนอื่นเท้าตัวเองแย่ไม่ไหวอ่ะจะสร้างบารมีตั้งสีสงไขห่าสงไขคนไม่ไหวอยากจะเล่นคานิพพานไมไหหน่อยจะเด้รู้แล้วรู้อกสักทีเพราะนั่นจรงเป็นฝ่ายใจแคบในสายตามหายานมหายานก็เห็นาเห็นการกระทำแบนี้ก็โคตรใจแคบเห็นแต่ตัวยอมรับแต่ทงว่านี้เอาตัวรอดจริงแต่ปนิพพานเป็นอรหันต์ใวาหน่อยดีกว่า ข้อสองท่านถามมาว่าทุกว <Congressman. S 2> ันนี้ผมทําอะไรบ้างพราะเาใจบดกอัตกรถาตลอดวันทุกวันนี้ก็อ่านแต่พระําราธรรมะทั้งมหาญาณทีนยาอ่านหมดแล้วก็อ่านตลอดตำราที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่ศาสนาทุกประเภทานหมดมีชีวิตหาสอบแสวงหาความสุขด้วยการอ่านตลอดตําราทัานศาสนาและตําราที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่อย่างหน uh, ึ JO, ่งออาตั้งคุมใหม่ตั้งเป็นรูป ให้ชื่อว่าสถาบันการนาลันทาสถาบันการดีใจแห่งมรคตตั้งขึ้นมาแล้วให้ให้ชื่อกาวนารันทาเพื่อเป็นอนุสรแกนาลันทาเกา่าหลักสูตรอะไรบ้างหลักสูตรก็ห้าแขนงที่ว่ามาอัจิยะตรรมวิทยาจิต ว, วิทยาเหตุวิทยาปรัชววิทยาแล้วก็ศิลปะวิทยานะถ้ามีาการรู้อะไรจึงเข้าไปศึกษาได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นพระ มีความรู้ในพรัฒนาบิดกไปอย่างต่ําิ่งเข้าไปศึกษาด่าพระมหายาในเมืองจีนกับพระมหายาในเมืองไายอย่างที่เราเห็นพระจีนทำตกตงเต๊กต่างกันอย่างไรไม่ต่างกันนะครับการทําำงงเต๊กหนาแต่เดิมก็เป็นการทําที่มีเกียรติคือเป็นการที่จ ะ, จะภาพเขานมมีมนให้ไปโกรธดวงวิญญาณถูกตายอย่างนี้มุนพระไทบางสกุลไปสวดมาติกานี่แหละ แต่ต่ อ, ตอมาเมื่อาศาสนาพาุทธในมืองจีนเสือเเ่อมลงเพราะรัฐบาลไม่ได้อุ่นชูความประพฤติของพระก็ทามลงไม่มีการศึกษาพระกลายเป็นพระรักจ่าลักจ่าไปเป็นพระวิธีกรรมไม่มีความรู้ทางศาสนาเพราะขาดการศึกษาการเป็นพระลัจกจ่าว่าจ้างกันเป็นยกๆเลยจ้างกันวันหนึ่งคืนหนจ้างกันสามวันยกนิดจ้างกันเจวันยกฐานาของพระในสายตาชาวจีนส่วนใหญ่ที่ไม่มีการศึกษา